สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะเจอกันที่นี่วิทยุไทย PBS กับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะวันนี้เริ่มเรื่องใหม่ค่ะจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับโยคีท่านหนึ่งโยคีท่านนี้นะคะมีชื่อเสียงโด่งดังโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเรียกได้ว่าท่านเป็นผู้นำจิตวิญญาณคนหนึ่งทีเดียวแล้วก็เป็นผู้ที่เผยแพร่จิตวิญญาณตะวันออกแบบอินเดียให้ชาวตะวันตกโดยเฉพาะชาวสหรัฐอเมริกานะคะได้รับรู้นั่นก็คือเรื่องราวของท่านประมะหังษาโยคานันทะค่ะ จากหนังสือที่ชื่อว่าอัตตชีวประวัติของโยคีสืบเนื่องมาจากได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์ประมวลเพ่งจันนะคะซึ่งอาจารย์เคยเรียนทางด้านศาสนาปรัชญาที่ประเทศอินเดียท่านได้มอบหนังสือเล่มนี้ให้กับดิฉันแล้วก็บอกว่าเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมอย่างสูง เป็นหนังสือขายดีเป็นหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นหนังสือที่คนไทยน่าจะอ่านแล้วสนุกแล้วก็ได้ประโยชน์เพราะว่าอินเดียกับไทยก็มีความใกล้เคียงกันในหลายประการวัฒนธรรมของคนไทยก็ได้รับมาจากอินเดียไม่น้อยนะคะเราได้ชื่อว่าเป็นภูมิภาคอินโดจีนคือได้รับวัฒนธรรมจากสองาคคืออินเดีย แล้วก็จีนเป็นอินโดจีนโดยเฉพาะอินเดียวัฒนธรรมวิธีคิดปรัชญาศา ส, สนาเราได้รับจากอินเดียจนกระทั่งแทบแยกไม่ออกนะคะว่าอันไหนที่เป็นของท้องถิ่นจริงๆหรือว่าอันไหนที่มาจากอินเดียโดยเฉพาะจากอินเดียนี่เยอะมาก หนังสืออัตชีวประวัติของโยคียปรามาหังษายโยคานันทะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะเป็นอัตชีวประวัติที่เจ้าของเรื่องราวเป็นผู้เขียนเองค่ะถ้าเล่าง่ายๆก็ต้องบอกว่าท่านปรามาหังษายโยคานันทะท่านเป็นนักบวชในศาสนาฮินดูคนสำคัญท่านมีชื่อเสียงโด่งดังทั้งในอินเดีย แล้วก็ในโลกตะวันตกค่ะท่านเขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยตัวของท่านเองโดยการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้อย่างมากจากการที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษก็ทําให้ชาวตะวันตกที่สนใจในเรื่องการสแสวงหาจิตวิญญาณแบบตะวันออกโดยเฉพาะแบบอินเดียสามารถที่จะเรียนรู้โดยตรงได้เหมือนกับเป็นการเปิดโลก แห่งจิตวิญญาณของชาวอินเดียในคำนิยมนะคะของหนังสือเล่มนี้ก็ได้บอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในภาษาอกฤษเพียงไม่กี่เล่มที่เขียนถึงผู้ทรงปัญญาแห่งอินเดียโดยชาวอินเดียเองไม่ใช่เขียนโดยสื่อมวลชนหรือว่าคนต่างชาติ คือที่ผ่านมาเนี่ยหนังสือเกี่ยวกับนักบวชนักปรัชญาหรือว่าครูบาอาจารย์ชาวอินเดียก็มักจะเขียนโดยลูกศิษย์ลูกหาโดยบรรดาสื่อมวลชนนะคะโดยคนนอกเพราะฉะนั้นในเรื่องของความลึกซึ้งจึงไม่เทียบเท่ากับที่เจ้าของเรื่องเนี่ยจะลงมือเขียนด้วยตัวเองแต่ว่าเล่มนี้ เป็นหนังสือเกี่ยวกับชีวิตโยคยีที่โยคียเป็นผู้เขียนขึ้นเองในฐานะบันทึกจากผู้ที่ได้ประสบพบเห็นอำนาจและชีวิตอันพิสดารของบรรดาโยคีฮินดูในยุคสมัยของอินเดียมากับตาตนเองและจากการปฏิบัติของตอนเองค่ะเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จึงมีความสำคัญนะคะ แล้วก็อัตตชีวประวัติที่ไม่ธรรมดาของท่านประมะหังสานี้ก็นับเป็นการเปิดเผยจิตและใจของชาวฮินดูแล้วก็ทำให้เห็นความรุ่มรวยทางจิตวิญญาณของอินเดียอย่างลึกซึ้งที่สุดเท่าที่เคยมีการตีพิมพ์หนังสือในโลกตะวันตกนะคะปัจจุบันนี้ อัตาชีวประวัติของโยคีโดยท่านปรมาหังษายโยคานันทะเล่มนี้หรือที่ในชื่อภาษาอังกฤษว่า autobiography of yogi ได้รับการยอมรับทั่วโลกค่ะว่าเป็นงานเขียนชั้นเลิศทางจิตวิญญาณหนังสือเล่มนี้ใช้เวลาเขียนทั้งหมดประมาณ14ปีค่ะท่านเริ่มเขียนประมาณปี1931 แล้วก็ในปี1945หนังสือนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ค่ะจากนั้นก็มาถึงขั้นตอนของการจัดพิมพ์นะคะซึ่งก็ต้องใช้เวลาพอสมควรทีเดียวในการหาผู้จัดพิมพ์แล้วก็หนังสือนี้ก็ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในปี1946ค่ะแล้วก็ได้รับการต้อนรับจากผู้อ่านและก็สื่อมวลชนทั่วโลกอย่างเรียกว่าอย่างล้นหลามทีเดียวชนิดที่ว่าไม่เคยเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้มาก่อนนะคะกับการที่ชาวตะวันตกจะให้ความสนใจกับหนังสือที่เกี่ยวกับชีวิตโยคีของชาวอินเดีย ลองมาฟังความเห็นของสื่อต่างๆนะคะที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ว่าบรรดาสื่อตะวันตกเนี่ยพูดถึงหนังสือเล่มนี้เอาไว้ว่าอย่างไรในนิตยสาร n e w s w ว e k นะคะบอกว่าหนังสือของท่านโยคานันทะเป็นชีวประวัติของจิตวิญญาณมากกว่าจะเป็นชีวประวัติของตัวบุคคล เป็นหนังสือที่น่าทึ่งและเป็นการศึกษาวิถีชีวิตทางศาสนาที่มีคำอธิบายประกอบชัดเจนบอกเล่าเรียบง่ายตรงไปตรงมาในลีลาที่งามหรูของโลกตะวันออกในหนังสือซานฟรานซิสโกโครนิเคิลก็บอกว่าเขียนได้น่าอ่านท่านโยคา น, นันทะนำเสนอเรื่องของโยคะที่ชวนให้เชื่อ ทำให้พวกที่ตั้งใจจะมาหัวเราะเยาะต้องหันกลับไปสวดภาวนาแทน United Press บอกว่าทัานโยคานันทะให้อัตถาธาิบายในสิ่งที่เรียกกันว่าหลักการซึ่งรู้แต่เฉพาะคนวงในของโลกตะวันออกอย่างเปิดเผยและมีอารมณ์ขันเป็นหนังสือที่อ่านแล้วได้ความสุขทางใจ ไปกับเรื่องราวชีวิตอันเต็มเปี่ยมไปด้วยการผจญภัยทางจิตวิญญาณ The Times of India บอกว่าหนังสือชีวประวัติของสวามีท่านนี้เป็นหนังสือที่อ่านแล้วจับใจใน Saturday Review บอกว่านักอ่านชาติตะวันตกต้องประทับใจและสนใจอย่างแน่นอน หรือในหนังสือ uh, West Coast Review of Books นะคะบอกว่าไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดคุณจะรู้สึกได้ว่า Autobiography of Aoki ช่วยยืนยันถึงอำนาจแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์ได้อย่างน่ายินดีนัก News uh, Sentinel for Van Indiana บอกว่าหนังสือเล่มนี้ ช่วยเปิดหูเปิดตาดีและสนุกอย่างเหลือเชื่อเรื่องราวของมนุษย์ที่ให้ความรู้สึกจริงจังแรงกล้าน่าจะช่วยเผ่าพันธุ์มนุษย์ให้เข้าใจตัวเองดีขึ้นอันตอชีวประวัติที่ดีมากที่สุดแล้วน่าทึ่งเล่าได้อย่างหลักแหลมให้ความบันเทิงจับใจในความจริงใจมีเสน่ห์ชวนติดตามรากับนวนิยาย อันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะของคำวิจารณ์บรรดาที่บรรดาสื่อต่างๆเนี่ยได้เขียนถึงหนังสือที่ชื่อว่าอัตตาชีวประวัติของโยคีซึ่งปัจจุบันนี้นะคะก็มีผู้นำหนังสือเล่มนี้ไปแปลเป็นภาษาต่างๆหลายภาษารวมถึงภาษาไทย แล้วก็ยังคงมีบทวิจารณ์ทยอยออกมาปรากฏให้เห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็บรรดาหนังสือรายปักนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่หนังสือเล่มนี้ออกมาใหม่ๆเนี่ยโหแบบมีบทวิจารณ์แล้วก็มีสื่อที่เขียนถึงเนี่ยเยอะมากที่อ่านไปแค่ส่วนหนึ่งนะคะส่วนใหญ่ก็จะชื่นชมเพราะว่ามีเนื้อหาที่ไม่ธรรมดา อาจารย์ประมวลเพ่งจันทรได้บอกกับรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะบอกว่าคนไทยน่าจะอ่านแล้วสนุกเพราะว่ามีเรื่องของอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นเรื่องที่คนไทยน่าจะคุ้นเคยแล้วก็ใกล้ชิดกับเรื่องพวกนี้เป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าสําหรับฝรั่งเนี่ยเขาจะรู้สึกตื่นตาตื่นใจมากคือเหมือนกับเราอ่านประวัติของครูบาอาจารย์ที่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระทุดงพระปา่า ที่จะมีเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาระปะปนอยู่ด้วยนะคะซึ่งเรื่องเหล่านี้คนไทยคุ้นเคยดีอยู่แล้วแต่ว่าสำหรับฝรั่งเนี่ยไม่คุ้นเคยเขาก็ตื่นตาตื่นใจกันมากแต่ทีนี้หนังสือของท่านประมะหังสาโยคานันทะก็จะมีมิติของอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อยู่ด้วย mm. และขณะเดียวกันก็มีเรื่องของการปฏิบัตินะคะ การพัฒนาทางจิตวิญญาณซึ่งเปิดเผยให้เห็นถึงความลึกซึ้งในด้านปรัชญาของทางอินเดียโบราณค่ะแล้วก็เป็นการเปิดเผยประสบการณ์ทางจิตวิญญาณของโยคียเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นการเขียนโดยโยคียเองเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเป็นที่ติดตามของบรรดาผู้อ่านทั่วโลกค่ะ ฉบับที่พิมพ์ครั้งแรกก็หมดไปอย่างรวดเร็วนะคะจนต้องมีการตีพิมพ์ครั้งที่2ครั้งที่3ตามมาปัจจุบันนี้ค่ะจากผู้อ่านหลักพันหลักหมืน่นก็ได้กลายมาเป็นหลักล้านนะคะหนังสือ Autobiography of อ y o ย i หรือว่าอัตาชีวประวัติของโยคีของท่านปรมาหังษาโยคานันทะ ก็ยังคงได้รับความนิยมจากผู้อ่านทั่วโลกมีผู้อ่านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่ตีพิมพ์ครั้งแรกปัจจุบันนี้ก็ประมาณ60ปี60กว่าปีแล้วนะคะหนังสือเล่มนี้ยังคงเป็นหนังสือขายดีในหมวดหนังสืออภิปรัญาและหมวดหนังสือที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนซึ่งก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่หาได้ยากนะคะ แล้วก็มีฉบับแปลอยู่หลายภาษานอกจากนั้นค่ะปัจจุบนันนี้สถาบันการศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหลายแห่งในโลกได้นำหนังสือเล่มนี้ไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาศาสนาและปรัชญาตะวันออกไล่เรื่อยไปจนถึงวิชาวณคดีอังกฤษจิตวิทยาสังคมวิทยามานุษยวิทยาประวัติศาสตร์แม้กระทั่งวิชาบริหารธุรกิจนะคะ บางก็บอกว่าจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนนับล้านล้านคนในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในการที่จะเรียนรู้และรู้จักตัวเองดรเดวิดฟรอร์ลี่เป็นผู้ในการสถาบันพระเวศศึกษาแห่งอเมริกาได้พูดถึงหนังสือเล่มนี้บอกว่าคือได้พูดถึงผู้เขียนนะคะว่าท่านโยคานาันท์เนี่ย ถือเป็นบิดาแห่งวิชาโยคะในโลกตะวันตกและท่านไม่ได้สอนแค่การฝึกโยคะเพื่อผลทางร่างกายซึ่งเป็นที่นิยมกันมากเท่านั้นแต่ท่านสอนโยคะทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นศาสตร์ที่จะช่วยให้ตรหนักรู้ในตนอันเป็นความหมายอันแท้จริงของคำว่าโยคะค่ะถ้าพูดถึงคำว่าโยคะ คนไทยในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะสาวๆนะคะน่าจะรู้จักกันดีเรารู้จักโยคะในฐานะศาสตร์แห่งการออกกำลังกายการยืดเยียดเพื่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงหลายคนฝึกโยคะและผู้ที่ฝึกโยคะเรียกว่าโยคีแต่ว่าท่านโยคานันทะนั้น ไม่ได้ฝึกเฉพาะโยคะทางร่างกายนะคะอันนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งแต่ท่านสอนโยคะทางจิตใจด้วยเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จึงให้ทั้งประโยชน์ทางด้านของจิตใจทั้งในเรื่องของการศึกษาทำให้เราได้เรียนรู้วิถีชีวิตของนักบวชในศาสนาฮินดูแล้วก็ให้ทั้งความบันเทิงเพราะว่า สนุกด้วยนะคะอาจจะประมวลบอกว่าอ่านสนุกมากเพราะท่านเล่าถึงชีวิตของตัวเองที่เจอกับเรื่องตลาดมหัศจรรย์ในสายตาของคนทั่วไปนะคะแล้วก็มีเรื่องลึกลับมีเรื่องของอิทธิฤทธิปาฏิหารอย่างที่บอกแล้วก็ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะหนังสือเล่มนี้ยังได้รับคํายกย่องชมเชย จากทั้งผู้จำหน่ายและนักวิจาร์แล้วก็นักอ่านในฐานะที่เป็นหนึ่งในหนังสือซึ่งทรงอิทธิพลและให้แรงบันดาลใจทางด้านจิตวิญญาณมากที่สุดแห่งยุคสมัยนี้นะคะในรมเนียบนักเขียนและนักปราดของ h a r p e r อร์ l i n s ปี1999นหนังสือ Autobiography of a ฟ k i ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในหนังสือทางจิตวิญญาณ100เล่มที่ดีที่สุดแห่งศตวรรษ และในหนังสือ50 Spiritual c l a s s i c ที่ตีพิมพ์ออกมาในปี2005โดยทอมบัตเลอร์เบลเดนก็ได้เขียนชมบอกว่าหนังสือเล่มนี้ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นหนึ่งในหนังสือทางจิตวิญญาณที่ให้ทั้งความสว่างทางปัญญาและความเพลิดเพลินในการอ่านมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาค่ะ ในบทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้นะคะผู้เขียนคือท่านปรมาหังสาโยคานันทะท่านได้เขียนข้อยืนยันที่ลึกล้ำที่นักบุญและนักปราดในทุกศาสนาของโลกได้ให้การรับรองสืบต่อกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าเพราะเป็นเจ้าคือความรักการสรรสร้างสรรพสิ่งของพระองค์ ก็อุบัติขึ้นจากความรักเพียงประการเดียวเท่านั้นก็สิ่งที่ปรอบปลุกใจมนุษย์ได้คือความคิดอันเปรียบง่ายหาใช่การยกเหตุผลแบบผู้ทรงภูมิมาว่ากล่าวกันไม่หรือมิใช่โยคีผู้ปฏิบัติจนเข้าถึงแก่นแห่งความจริงได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแผนการบรังสรรจั ก, กรวานของพระเป็นเจ้ามีอยู่จริง และเป็นแผนที่งดงามและนำมาซึ่งความสุขอันบริบูรณ์สมาคมเซลส์เรอัลไลเซชั่นเฟลโลชิฟซึ่งเป็นผู้จัดพิมพ์นะคะก็บอกว่าในขณะที่หนังสือเล่ม น, นี้ยังแพร่หลายต่อไปเราหวังเหลือเกินว่า ทุกท่านที่ได้อ่านงานเขียนอันให้แรงบันดาลใจเล่มนี้ทั้งท่านที่อ่านเป็นครั้งแรกและท่านที่ถือเอาหนังสือเล่มนี้เป็นเพื่อนในยามก้าวย่างไปบนเส้นทางชีวิตมานานนักหนาแล้วจะพบว่าวิญญาณของท่านได้เปิดป ร, รับศรัทธาอันลึกล้ําในสัจ ธ, ธรรมอันสูงส่งซึ่งดํารงอยู่ในใจกลางของสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นปริศนาความลี้ลับแห่งชีวิต ในช่วงต่อไปนะคะเราจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหากับประวัติของท่านประมาะหังสาโยคานันทะกับหนังสืออัตชีวประวัติของโยคีซึ่งท่านจะเริ่มเล่าเกี่ยวกับครอบครัวของท่านค่ะพ่อแม่แล้วก็ชีวิตวัยเด็ก ซึ่งท่านได้เริ่มต้นกล่าวถึงวัฒนธรรมอินเดียนะคะว่ามีลักษณะเฉพาะตัววัฒนธรรมอินเดียนั้นให้ความสาคัญกับสิ่งสาคัญ2ประการ 1. ก็คือการสแสวงหาสัจธรรมสูงสุด2ก็คือความผูกพันระหว่างศิษย์กับครูหรือที่เรียกว่าครุ และหนทางแห่งชีวิตก็ได้ชักนำให้ท่านเนี่ยได้พบกับนักบวชผู้เข้าถึงซึ่งพระเจ้าแล้วซึ่งเป็นหนึ่งคืออาจารย์ของท่านเนี่ยเป็นหนึ่งในบรมครูผู้ทรงคุณค่าของอินเดียความทรงจำแรกเริ่มของท่านเต็มไปได้วยภาพอันผิดยุคผิดสมัย คือท่านใช้คำว่าอันผิดยุคแผกสมัยในอดีตชาติท่านจดจำได้อย่างจำชัดว่าท่านเองเคยเป็นโยคีบำเพ็ญธรรมอยู่ท่ามกลางหิมะแห่งภูเขาฮิมาลายและด้วยความเชื่อมโยงบางประการที่อยู่เหนือขอบข่ายของมิติทั้งปวงการเห็นอดีตนี้ทำให้ท่านเห็นไกลไปถึงอนาคตด้วย ท่านจําได้แม้กระทั่งตอนที่ท่านเป็นทารกนะคะท่านบอกว่าตอนนั้นท่านรู้สึกขัดเคืองใจที่ตัวเองเนี่ยไม่สามารถจะเดินเหินหรือว่าพูดจาได้อย่างที่ใจคิดคือผู้ใหญ่มักจะคิดว่าเด็กสนใจแต่เพียงของเล่น แต่ไม่รู้ว่าเด็กทารกบางคนสามารถคิดอะไรอยู่ในใจได้มากมายกว่านั้นนะคือท่านสามารถจาได้แม้กระทั่งตอนที่ท่านเป็นทารกแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ดังใจด้วยข้อจํากัดทางร่างกายในวัยเด็กนะคะและการจดจำอดีตชาติก็ไม่ใช่เรื่องแปลกท่านบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาและก็ไม่ได้เกิดกับท่านแต่เพียงผู้เดียวมีโยคีหลายท่าน ที่สามารถจดจำอดีตชาติได้แล้วก็จดจำการเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติโดยที่ไม่ได้มีผลกระทบใดๆท่านบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นเพียงร่างอันประกอบขึ้นจากเนื้อหนังเมื่อร่างดับสลายไป วิญญาณอันไร้รูปกายยังคงอยู่และก็สามารถจะท่องไปได้ในทุกที่ทุกเวลาแม้ว่า น, นี่จะเป็นเรื่องแปลกแต่การที่คนเราสามารถจดจำช่วงเวลาที่เป็นทารกได้อย่างแจ่มชัดก็ไม่ใช่สิ่งที่พบเห็นได้ยากนักท่านบอกว่า ท่านเคยได้ยินเรื่องราวที่ผู้คนทั้งหญิงและชายสามารถจดจําเรื่องราวในยามแรกเกิดได้คือหมายถึงว่าคนที่สามารถจำจำความได้ตั้งแต่สมัยเป็นทารกเนี่ยมีมีอยู่พอสมควรนะคะท่านว่าอย่างนั้นเอาละค่ะนี่ก็เป็นการเกริ่นนานะคะก่อนที่เราจะไปรู้จักกับประวัติชีวิต ของท่านปรมาหังษาโยคานันทะที่ท่านจะเล่าถึงครอบครัวถึงพ่อแม่พี่น้องของท่านว่าท่านถูกอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนมาอย่างไรคะ เอาละค่ะถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วนะคะเราจะไปเริ่มฟังเรื่องราวจากหนังสืออัตาชิวประวัติของโยคีหนังสือเกี่ยวกับโยคีที่โยคีเป็นผู้เขียนเองค่ะน่าสนใจที่ว่าเรื่องนี้จะมีความลี้ลับมีเรื่องแปลกมีเรื่องมหัศจรรย์ แล้วก็มีเรื่องที่เป็นความลึกซึ้งทางจิตวิญญาณมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะทําไมหนังสือเล่มนี้ถึงได้ชื่อว่ า, เ, าเป็นหนังสือเป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งในหนังสือทางจิตวิญญาณ100เล่มที่ดีที่สุดแห่งศตวรรษทําไมถึงได้รับการยกย่อง ว่าเป็นหนึ่งในหนังสือทางจิตวิญญาณที่ให้ทั้งความสว่างทางปัญญาและความเพลิดเพลินคือมีทั้งประโยชน์สาระแล้วก็มีทั้งความบันเทิงอ่านสนุกด้วยนะคะคือปกติแล้วหนังสือที่มีความลุ่มลึกลึกซึ้งเนี่ยก็อาจจะต้องใช้สมาธิในการอ่านมากหน่อยอาจจะไม่ค่อยสนุกแต่หนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าลุ่มลึกแล้วก็สนุกด้วย ถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยนะคะเริ่มจากชีวิตในวัยเด็กของท่านท่านประมะหังสายโยคานันทะกับชีวิตโยคีตอนที่หนึ่งค่ะ ข้าพเจ้าเกิดเมื่อวันที่ห ม, มกราคมปีคริสต์ศักราช1893นเมนือเมืองโครัคขะปุระทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียใกล้กับเทือกเขาฮิมาลัยและได้ใช้ชีวิต8ปดปีแรกอยู่ที่นี่เรามีกันอยู่8ดคนพี่น้องชาย4ี่หญิงสี่ข้าพเจ้าชื่อมุกุนดารานโคดเป็นบุตรชายคนที่สองและเป็นลูกคนที่สี่ พ่อแม่ของข้าพเจ้าเป็นชาวเบงกอล ว, วั น, นะกษัตริย์วั น, นะกษัตริย์เป็นวั น, นะที่สองในสี่วันนะเป็นวั น, นะของผู้ปกครองและวรณะนักรบนะคะท่านทั้งสองเป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์ดีพร้อมอย่างหาที่ติไม่ได้ความรักที่ท่านมีให้กันนั้นสงบเย็นจริงจังน่ายกย่องและไม่เคยแสดงออกในทางเลาะแหละ ความรักใคร่ปลองดองของพวกท่านคือหลักอันมั่นคงในท่ามกลางความโกลาหลวุ่นวายของลูกๆทั้งแปพ่อชื่อพัคภาตีจรันโคดเป็นคนใจดีแต่เคร่งครึมและมีดุบ้างเป็นบางครั้งลูกๆถึงจะรักท่านมากแต่ก็ขออยู่ห่างๆด้วยความยำเกรง พ่อเก่งด้านคณิตศาสตร์และตรร ก, กะท่านดำเนินชีวิตโดยใช้ปัญญาเป็นเครื่องกำกับส่วนแม่นั้นคือคนที่กุมหัวใจเราไว้ทั้งบ้านท่านใช้ความรักในการอบรมสั่งสอนพวกเราหลังแม่ลาโลกไปพ่อจึงแสดงความอ่อนโยนออกมามากขึ้นเขาพระเจ้าสังเกตเห็นแววตาที่ท่านจ้องมองมาเหมือนแววตาของแม่ไม่มีผิด ตอนแม่ยังอยู่พวกเราลูกๆได้เริ่มเรียนรู้พระธรรมคำพีต่างๆด้วยวิธีการแบบหวานปนขมเราคือเมื่อพวกเรากระทำความผิดแม่จะยกเอาเรื่องราวในมหากาปมหาภราตะและรามายณนะตอนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในเวลานั้นมาสั่งสอนและตักเตือนพวกเราไปพร้อมๆกันแม่จะให้เกียรติพ่อ ด้วยการดูแลลูกๆให้อาบน้ำแต่งตัวให้สะอาดเรียบร้อยในช่วงบ่ายเพื่อรอต้อนรับพ่อกลับมาจากทำงานทุกวันพอทำงานให้กับบริษัทเดินรถไฟเบงกอลนาคาปุระซึ่งเป็นบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งของอินเดียในตำแหน่งเทียบเท่ารองประธานบริษัทงานของท่านทำให้ท่านต้องเดินทางอยู่เรื่อย ตอนที่ข้าพเจ้ายัางเด็กครอบครัวของเราจึงอยู่ไม่ค่อยเป็นที่เป็นทางต้องย้ายจากเมืองนั้นไปเมืองนี้อยู่บ่อยๆแม่เป็นคนใจบุญชอบช่วยเหลือคนขัดสนจนยากพ่อก็เช่นกันแต่นอกจากหลักกฎหมายและระเบียบวินัยแล้วพ่อยังยึดหลักมัธยัติในการใช้จ่ายด้วยครั้งหนึ่งแม่ใช้เงินมากกว่าเงินเดือนของพ่อทั้งเดือน กับการเลี้ยงดูคนยากจนภายในเวลาเพียงสองสัปดาห์เท่านั้นพอถึงกับออกปากวิงวอนว่าฉันขอเพียงว่าจะช่วยเหลือเจือจานใครก็ให้ทำได้แต่พอเหมาะพอควรแม้จะเป็นแค่คำทักท้วงอ่อนๆจากสามีแต่แม่ก็เสียอกเสียใจนะักกระนั้นท่านก็ไม่คิดจะทะเลาะ ก, กับพ่อให้พวกเราเห็นจึงได้แต่เรียกรถรับจ้างมา ลากนฉันจะกลับไปอยู่บ้านแม่ละ่ะนี่เป็นการยื่นคำขาดตามธรรมเนียมโบราณแท้ท่านบอกว่าตอนนั้นลูกลูกก็พากันร้องไห้ด้วยความไม่เข้าใจโชคดีที่ลุงซึ่งเป็นญาติข้างแม่เนี่ยแวะมาหาพอดี ก็เลยเป็นตัวกลางเคลียให้กระซิป บ, บอกกลเม็ดเคร็ดลับคือกระซิป บ, บอกพ่อว่าควรจะทำอย่างไรในสถานการณ์แบบนี้นะคะพ่อก็เลยไปง้อแม่ซึ่งก็ง้อได้สำเร็จค่ะแม่ก็บอกเลิกรถรับจ้างด้วยใบหน้ายิ้มแยม้ม นี่เป็นปัญหาความขัดแยงระหว่างพ่อกับแม่ที่ท่านโยคานันทะเคยเห็นเพียงครั้งเดียวนะคะแต่นอกจากนี้ท่านก็จำได้ว่าเคยเห็นพ่อกับแม่เนี่ยต่อล้อต่อเถียงกันครั้งหนึ่งด้วยก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือคนเหมือนกันค่ะคุณคะ ฉันของเงิน10บรูปีให้ผู้หญิงเคราะห์ร้ายที่เพิ่งมาถึงหน้าบ้านเราด้วยค่ะทำไมต้อง1ิบรูปีรูปีเดียวก็น่าจะพอแล้วนี่นาตอนที่พ่อกับปู่ย่าของฉันลาโลกไปอย่างกะทันหันฉันได้ดิ้มรสความยากจนเป็นครั้งแรกมีแค่กล้วยใบเดียวให้กินเป็นมื้อเช้าก่อนเดินไปโรงเรียนที่อยู่ไกลออกไปตั้งหลายไมล์พอเข้ามาหาวิทยาลัยฉันก็ขัดสนมาก ต้องบากหน้าไปหาผู้พิพากษาฐานะดีคนหนึ่งขอให้เขาช่วยเหลือฉันสักเดือนละหนึ่งรูปีแต่เขาปฏิเสธไม่ยอมช่วยบอกว่าถึงจะแค่รูปีเดียวก็มีค่าพออธิบายแม่ก็เลยบอกว่าคุณทั้งจำเรื่องสะเทือนใจที่ขอความช่วยเหลือแม้แต่รูปีเดียวก็ยังไม่ได้นั้นได้ดีนะักแล้วคุณอยากให้หญิงคนนี้ มีความทรงจำอันขมขื่นเพราะคุณปฏิเสธไม่ยอมให้เงินเธอ10รูปีทั้งที่เธอเดือดร้อนมากอย่างนั้นหรือคะเหตุผลของแม่ทำให้พ่อต้องเปิดกระเป๋าด้วยทีท่าของสามีผู้พ่ายแพ้แล้วก็บอกว่าเธอชนะอะนี่เงิน1ิบรูปีเอาไปให้ผู้หญิงคนนั้นแล้วก็นำความปรารถนาดีของฉันไปให้เธอด้วย คือแม่จะมีวิธีพูดมีวิธียิ้มที่ทำให้พ่อต้องใจอ่อนเสมอแต่เวลาเจอกับข้อเสนอหรือว่าข้อเรียกร้องใหม่ๆพ่อก็มักจะบอกไม่เอาไว้ก่อนพ่อไม่เคยยอมรับอะไรง่ายๆโดยไม่ไตรตรองให้ดีก่อนท่านเป็นคนมีเหตุผลแล้วก็ใช้ดุละยะพินิษ์ได้อย่างเหมาะควรอยู่เสมอ ท่านโยคานันทาบอกว่าหากข้าพเจ้าสามารถยกเหตุผลดีๆขึ้นมากล่าวอ้างได้สักข้อสองข้อท่านก็จะเสาะหาสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องประสงค์มาให้จนได้ไม่ว่าจะเป็นการไปเที่ยวหรือจักรยานยนต์คันใหม่ก็ตามตอนยังเด็กพอเข้มงวดเรื่องวินัยกับพวกเรามากแต่ท่านยังเคร่งครัดกับตนเองยิ่งกว่าท่านใช้ชีวิตเรียบง่าย ไม่คำนึงถึงความสะดวกสบายแม้แต่น้อยพ่อไม่เคยไปดูหนังดูละครแต่จะหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมและศึกษาคัมภีร์พระควัดคีตาคัมภีร์พระควัดคีตาคือร้อยกรองภาษาสันสกฤตว่าด้วยปรัช ญ, ญาอันสูงส่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหากราบมหาพระตะที่เป็นเสมือนหนึ่งคัมภีร์ไบเบิลของชาวฮินดูนะคะ ถ้าเป็นบ้านเราก็ต้องบอกว่าไม่ชอบเที่ยวไม่ชอบไปดูหนังดูละครแต่อ่านพระไตรปิฎกอยู่กับบ้านอะไรทํานองนั้นอ่านหนังสือธรรมะอยู่กับบ้านแล้วก็มีความสุขกับสิ่งนี้พ่อของท่านโยคานันทะหลีกเลี่ยงความฟุ้งเฟ้อทุกอย่างท่านสวมรองเท้าอยู่คู่เดียวจนกว่ามันจะเก่าจนใช้การไม่ได้อีกต่อไป พอคนหันมานิยมใช้รถยนต์ส่วนตัวแม้ว่าลูกชายของท่านต่างพากันซื้อรถยนต์มาใช้แต่พ่อก็กลับพอใจที่จะนั่งรถรางไปทํางานเหมือนเดิมคือเป็นคนที่ไม่วัตถุนิยมโดยสิ้นเชิง น, นะคะเป็นคนที่สมถะเรียบง่ายมากแล้วก็เป็นคนที่ไม่สนใจที่จะกอบโกยเงินทองมาเสริมสร้างอํานาจบารมีคือเป็นคนที่ไม่ใหญ่ดี ทรัพย์สินเงินทองตลอดจนลาบยศสันเสริญต่างๆครั้งหนึ่งท่านเคยช่วยก่อตั้งธนาคารการลากาต้าเออร์บันแบงก์จนสำเร็จแต่ท่านกลับปฏิเสธไม่ยอมรับหุ้นที่ทางธนาคารเสนอให้เป็นการตอบแทนท่านแค่หวังจะช่วยเหลือสังคมในยามว่างเท่านั้น หลายปีหลังจากที่พ่อกเกษียณออกมารับอำนานปรากฏว่าสมุบบัญชีของบริษัทถึงกับเดินทางจากอังกฤษมาอินเดียนะคะเพื่อตรวจสอบบัญชีของบริษัทเดินรถไฟเบงกอลนาคาุระแล้วก็ถึงกับตะลึงค่ะเมื่อพบว่าพ่อของท่านโยคา น, านันทะไม่เคยยื่นขอโบนัสตามที่ท่านควรจะได้คือโดยสิทธิ์ควรจะได้แต่ท่านไม่เคยยื่นขอ สมุบัญชีก็รายงานต่อ บ, บริษัทบอกว่าเขาทำงานหนักเท่ากับคน3คนเขาควรได้รับเงินตอบแทนย้อนหลัง 1,25,000 ่บรูปีก็ประมาณ 5,41,250 บบาทฝ่ายการเงินก็ส่งเช็คจำนวนดังกล่าวมาให้พ่อซึ่งไม่เห็นว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตอะไร ท่าลืมเล่าให้ลูกๆฟังด้วยซ้ำนะคะคือไม่ยี่ระแล้วก็ไม่ใส่ใจหลังจากนั้นนานพอสมควรค่ะน้องชายคนสุดท้องหมายถึงน้องชายคนสุดท้องของท่านโยคานันทะเนี่ยนะคะคือลูกคนสุดท้องของพ่อเนี่ย่อพิสณุพบรายการเงินฝากเข้าบัญชีก้อนนี้จึงมาถามพ่อว่าเงินเนี่ยมาจากไหนเพราะว่าเป็นเงินก้อนใหญ่พ่อก็ย้อนถาม ด้วยท่าทีที่ไม่ใ่ดีว่าทำไมจะต้องตื่นเต้นกับสมบัตินอกกายกันนักผู้มุ่งสแสวงหาความสงบทางจิตย่อมไม่ยินดีกับลาบผลและไม่เป็นทุกข์เมื่อสูญเสียเพราะตระักดีว่ามนุษย์มาสู่โลกนี้ด้วยตัวเปล่าและยามจากไปก็เอาไปไม่ได้แม้แต่รูปีเดียวนี่คือท่าทีของพ่อเกี่ยวกับเรื่องของ สมบัตินอกกายหรือว่าทรัพย์สินเงินทองคือทรัพย์สินเงินทองทำอะไรพ่อไม่ได้นะคะเป็นคนที่มั่นคงกับทรัพย์สินข้างในกับความมั่นคงภายในตอนที่แต่งงานกันใหม่ๆพ่อกับแม่ของท่านโยคา น, นันทะได้ฝากตัวเป็นสิทธิ์ของคุรุหรือว่าครูผู้ยิ่งใหญ่ แห่งเมืองพาราณสีคือท่านลาฮิริมันมหัศยะทำให้พ่อผู้เคร่งในการปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเนี่ยเข้มงวดกับตนเองหนักขึ้นไปอีกปฏิบัติเข้มงวดขนาดไหนฟังแล้วคุณผู้ฟังอาจจะไม่เชื่อนะคะครั้งหนึ่งแม่ของท่านโยคานันท้เ น, นี่ยค่ะ เล่าให้ลูกสาวคนโตฟังบอกว่าพ่อกับแม่หลับนอนกันฉันสามีภรรยาปีละครั้งเพื่อการมีลูกเท่านั้นคือหลับนอนกันเพื่อที่จะมีลูกแค่นั้นเองมีอยู่จริงนะคะสําหรับชีวิตคู่แบบนี้สําหรับสามีภรรยาแบบนี้ที่ให้ความสําคัญกับการเติบโตภายใน กับการแสวงหาความสุขทางจิตวิญญาณมากกว่าความสุขทางด้านร่างกายและก็ถือความเป็นสามีภรรยาเป็นเพียงแค่หน้าที่พ่อได้พบแล้วก็รู้จักกับท่านลาฮิริมหัศยะผ่านการชักนำของพนักงานประจำ ในบริษัทเดินรถไฟเบงกอลนาคะปุ ร, ระคนหนึ่งที่ชื่อว่าอภินาตบาบูคำว่าบาบูก็แปลว่านายนะคะเป็นส้อยท้ายชื่อบุคคลในภาษาเบงกอลีอภินาตบาบูก็คือนายอภินาตนั่นเองเ อ, อ่ออภินาตเนี่ยชอบเล่าเรื่องราวที่น่าทึ่งของโยคีผู้วิเศษในอินเดียให้ท่านโยคานันทะฟังตั้งแต่ยังเล็ก แล้วก็มักจะกล่าวสันเสริญความยิ่งใหญ่ของอาจารย์ของเขาทุกครั้งไปคือเรียกว่าท่านโยคานันทะก็ได้ฟังเรื่องมหัศจรรย์ของโยคีเนี่ยมาตั้งแต่เด็กอย่างเช่นครั้งหนึ่งอาพินาตก็ เล่าให้ท่านโยคานันทะสมัยเด็กๆฟังว่าเคยมีใครเล่าให้คุณหนูฟังหรือเปล่าว่าเหตุใดทำให้คุณพ่อของคุณหนูถึงฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านลาฮิริมหัศยะท่านโยคานันทะในวัยเด็กสายหน้าปฏิเสธแล้วก็ยิ้มอย่างอยากรู้อาภินาตบาบูก็เลยเล่า ว, ว่า เมื่อหลายปีมาแล้วก่อนที่คุณหนูจะเกิดผมขอหัวหน้าก็คุณพ่อคุณหนูนั่นละลาหยุดหนึ่งสัปดาห์เพื่อไปคาระวะท่านอาจารย์ที่เมืองพาราณสีแต่ท่านกลับหัวเราะเยาะผมนี่ก็จะคลั่งศาสนาขึ้นมาหรือไงถ้าอยากก้าวหน้าแล้วก็สนใจเรื่องงานจะดีกว่านะอภินาถคุณพ่อของคุณหนูว่าผมแบบนี้ วันนั้นผมถึงกับเดินขอตกกลับบ้านขณะผ่านแนวชายป่าก็พบหัวหน้านั่งเกี้ยวผ่านมาพอดีถ้าลงจากเกี้ยวสั่งคนรับใช้ให้หามเกี้ยวกลับไปก่อนแล้วก็เดินเป็นเพื่อนผมพยายามปลอบใจผมชี้ให้เห็นผลดีของการดิ้นรนเพื่อความสำเร็จในทางโลกผมก็ได้แต่ฟังไปกันแกนในใจก็เอาแต่ร่ำร้องว่า ท่านลาฮิริมหัศยะกระผมอยู่ไม่ได้ถ้าไม่ได้ไปพบท่านทางเดินสายนั้นพาเราไปผ่านผ่านไปถึงปลายทุ่งอันเงียบสงบแสงแดดยามบ่ายคล้อยทอทาบลงบนยอดหญ้าป่าเราสองคนหยุดชื่นชมความงามนั้นจูๆ่ๆอาจารย์ของผมก็ปรากฏร่างขึ้นที่กลางทุ่งห่างจากเราไปไม่กี่หลา ภะคาพาตีเจ้าเข้มงวดกับลูกน้องมากไปเสียงของท่านก้องในหูทำกลางความงวยงงของเราแล้วท่านก็หายวับไปอย่างลึกลับเช่นเดียวกับตอนขามาผมคุกเข่าลงพร่ำขานนา้ำท่านซ้ำไปซ้ำมาท่านลาฮิริมหัสยะท่านลาฮิริมหัสยะในขณะที่คุณพ่อของคุณหนู ก็นิ่งงานไปครู่หนึ่งจากนั้นพ่อของท่านโยคานันทะซึ่งเห็นด้วยตัวเองตกใจมากนะคะคือตอนแรกเนี่ยไม่ยอมให้ลูกน้องลาไปพบโยคีแต่ปรากฏว่าเจอเหตุมหาสัรจันที่โยคีท่านนี้เนี่ยมาปรากฏตัวปรากฏตัว ให้ท่านเห็นคือเป็นอิทธิฤทธิปาฏิหารนะคะคือแวบมาแล้วก็วับไปพ่อของท่านโยคา น, นันทะก็เลยบอกว่าอภินาถฉันไม่เพียงแต่จะยอมให้เธอลางานนะฉันเองเนี่ยก็จะลาด้วยแล้วฉันจะไปกับเธอพวกเราไปพราราณสีวันพรุ่งนี้เลยนะ ฉันจะต้องไปกราบคารวะท่านลาหฮิริมหัศยะผู้นี้ให้ได้ท่านหายตัวมาที่นี่เพื่ออนุเคราะห์เธอและฉันจะพาภรรยาไปด้วยและจะขอให้ท่านรับเราเป็นศิษย์ศึกษาธรรมจากท่านเธอช่วยพาเราไปพบท่านหน่อยได้ไหมล่ะอภินาทก็บอกว่าได้แน่นอนอภินาทก็ปรืมปิติมากนะคะปลืมปิติที่ว่า ท่านอาจารย์ลาฮิริมหัศยะตอบรับคำสวดอ้อนวอนของเขาคือสวดอ้อนวอนว่าขอให้เขาได้ไปพบท่านแม้ว่าหัวหน้าเนี่ยไม่อนุญาตแต่ในที่สุดหัวหน้าก็อนุญาตและแถมหัวหน้ายังขอไปด้วยนะคะคือทำให้เหตุการณ์นี้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเย็นวันถัดมาค่ะ <S <S อาพินาธพร้อมด้วย ข้อกับแม่ของท่านโยคานันทะก็ขึ้นรถไปพาราณสีด้วยกันไปรถไฟค่ะแล้วก็ไปถึงพาราณสีในวันรุ่งขึ้นแล้วก็ต้องนั่งรถม้าต่อไปอีกพักหนึ่งก่อนลงเดินเท้าตามทางแคบๆเข้าไปยังบ้านซึ่งตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวของท่านมหัศยะหลังเข้าไปในห้องรับรองเล็กๆ ก็กราบคารวะท่านอาจารย์ซึ่งนั่งขัดสมาธิเพชรยอยู่ตามความเคยชินขัดสมาธิเพชรก็คือนั่งขัดสมาธิแบบที่เห็นฝ่าเท้าทั้งสองข้างคือขัดกันเลยนะไม่ใช่ขัดสมาธิราบบางคนก็ไม่สามารถนั่งได้นะคะท่านลายฮิริมหัศยะก็มองมาที่พ่อของท่านโยคานันทะแล้วก็กล่าวว่า กล่าวว่าอะไรติดตามได้ตอนหน้านะคะท่านกล่าวว่าอะไรในการพบกันครั้งแรกกับพ่อของท่านโยคานันทะนะคะติดตามได้กับเรื่องชีวิตโยคีตอนที่2จากหนังสืออัตชีวประวัติของโยคีท่านประมะหังสาโยคานันทะหนังสือดีที่น่าสนใจอีกหนึ่งเล่ม วันนี้ห้องสมุดหลังไม้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ใหม่ห้องสมุดที่ฟังได้ทางวิทยุกับรัศมีมณีนิน